เรัตนวัคหมวดว่าด้วยรัตนะ 1. อันเตปุระศิขาบทว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นในเรื่องพระเจ้าประสทธิโกศล 494. ย้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้า พระราชอุทยานว่าพะนายท่านจงไปทําความสะอาดอุทยานเราจะไปอุทยานเจ้าหน้าที่เฝ้าพระราชอุทยานรับสนองพระราชองค์การแล้วจึงไปทําความสะอาดพระราชอุทยานได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับนั่งอยู่ณนะควงไม้ต้นหนึ่งครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตทธิโกศลถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าเสริที่โกศลดังนี้ว่าขอเดชะ พระชอุทยานสะอาดแล้วพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระราชอุทยานนั้นพระพุทธเจ้าข้าเท้าเถอรับสั่งว่าช่างเถิดพานายพวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นแล้วพระเจ้าประเสิทธิโกศลได้เสด็จไปพระราชอุทยานแล้วเสด็จเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ขณะนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค พระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาสกผู้นั่งเฝ้าอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ประทับยืนตกพระไทยทีนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงมีพระดํำริดังนี้ว่าชายคนนี้คงไม่ใช่คนเลวเขาถึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ใกล้ๆได้จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งในที่สมควร ขณะนั้นอุบาสกนั้นไม่ถวายบังคมไม่รุกรับเสด็จพระเจ้าประสทิทธิโกศลเพราะมีความครบต่อพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงพอพระทัยว่าชนะชัยคนนี้เมื่อเรามาถึงจึงไม่ถวายบังคมไม่ต้อนรับเล่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงพอพระทัยจึงได้ตรัส กับพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้ว่ามหาบาพิษอุบาสกคนนี้เป็นผู้หูสูดจำสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาได้ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงดํำริดังนี้ว่าอุบาสกนี้ไม่ใช่คนต่ําต้อยแม้พระผู้มีพระภาคยังตรัสพรรณนาคนของอุบาสกนี้จึงได้รับสั่งกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่าอุบาสกท่านพูดสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เถิด บาสดกล่าบทูลว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าเประเซนทิโกสนเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเรืองด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้าเประเซนทิโกศลผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาจหารแกล่กล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกระถาแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษินแล้วเสด็จไป495ครั้งนั้นพระเจ้าเสณ์ที่โกศลประทับอยู่บนปราสาทชั้นบนได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นเดินกั้นร่มไปตามถนนครั้นเห็นแล้วจึงรับสั่งให้เชิญมาเฝ้า แล้วได้ตรัสกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่าอุบาสกทราบว่าเธอเป็นพระหูสูตรจาสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาได้อุบาสกเธอช่วยสอนธรรมในตําหนักของเราด้วยเถิดอุบาสกกล่าวทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมจากพระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายเท่านั้นจักสอนธรรมพระสนมของพระองค์ได้ลําดับนั้นพระเจ้าเกษมที่โกศลจึงรับสั่งว่าอุบาสกกล่าวจริง จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งในที่สมควรพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งในที่สมควรได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานวรโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ภิกษุ ร, รูปหนึ่งไปสอนธรรมในตำหนักนางสนมของหม่อมชันเพราะงนั้น พ ร, <im> พระผู totally so right <im ้ม <im iendo> <im> ีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าเปรตที่โกศลเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบเฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบเฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระภูมิพระภาคทำประทักษิณแล้วเสด็จไป